บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยตต่างๆนั้นเพิ่งสังเกตว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกดินกายใจของบุคคล ที่กระทบกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผทิภัณที่ผ่านมาต่างประสาทสัมผัสภายในปนัญหาสำคัญว่าเวลาใจไปกระทบอารมณ์นั้นโดยพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของคนโดวทั่วไปแต่ว่าสิ่งนั้นเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจว่ามันเป็นอะไร ก็จะเกิดความเครือบแพลงสงสัยใครรู้ใครทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรและเมื่อได้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกทั้งสามประการนี้จะมีอยู่ภายในใจของบุคคลตลอดขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบ ซึงจะเห็นได้ว่าตรงจำแนกแสดงกิเลสไว้เป็นสามประเภทคือโรคโกรธหลงอาการทั้งสามที่ปรากฏภายในจิตเป็นอาการของกิเลสในกรณีที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดระพาธธมารมที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งเกิดขึ้นภายในจิตก่อนก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ วิชาก็แสดงอาการออกมาเป็นความเคลือบแครงสงสัยไม่แน่ใจบางทีถ้านำมาคิดเองมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขความเคลือบแคลงสงสัยเหล่านั้นออกไปได้ใจมันก็ฟุง้งก็กลายเป็นอาการของนิวอรอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอุทจจะคือความฟุ้งซ่านฟุ้งมากเข้ามาเข้าคิดมากเข้ามาเข้า จิตใจก็จะไม่สงบก็กลายเป็นความหงุดหงิบทความรำคาญที่เราเห็นว่าตรงนี้ที่จึงเริ่มจากกิเลสประเภทโมหะอาการของโมหะฟุ้งกระจายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นกิเลสประเภทโทสะคือรำคาญคืองุนงิบทแต่ทีนี้พอรู้พอมีการศึกษามีการสอบถามรั่วเป็นอะไรรั่วเป็นใคร รู้สิ่งใดสราบถึงคุณโทษประโยชน์ไปใช่ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกรักจังเรียกว่าพอใจหรือไม่พอใจในกรณีที่เกิดความรู้สึกพอใจใจก็จะใคร่ใจก็จะปรารถนาใจก็จะเพิ่มปริมาณความพอใจขึ้นถ้าถมอยู่ภายในจิต ทำให้เกิดกระสันอยากในอารมณ์เหล่านั้นต้องการเห็นต้องการได้ยินต้องการสูดรมต้องการลิ้มต้องการจับต้องแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเหนียวนึกตรึกนึกใจก็จะควา้าปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นเป็นเจ้าค่ายเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นใจก็จะร่ารรอนไม่ได้แรงปรารถนาทุกขั้นตอนของความคิด จนถึงบางครั้งบางคราวถ้หากว่าเป็นความต้องการที่รุนแรงที่ทางการแสวงหาก็จะเกิดความสับสนก็ให้เกิดเป็นพวกอกุศลขึ้นมาในรูปต่างๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เปนปรญาจักรกรรมทั้งหลายซึ่งถ้าเราสืบสาวที่มาของความคิดก็เกิดมาจากอาการโลภะกันลงที่เั็นมากเกินไปจนคุมไว้ไม่อยู่กลายเป็นพฤติกรรมที่มีการรุนแรง ในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นอาการของสิ่งดต้นพอได้เจ้พอได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองแล้วก็เกิ ด, ดหลงไหลครั่งใครในสิ่งดั้นเราเห็นอาการก็โมหะก็เพิ่มขึ้นไปด้วยมีความรู้สึกหวงห่วงมีความม่ตตกกังวล ร้วสิ่งจะเป็นภัยเป็นอันตรายสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตนใคร่ตนปราถนาตนพอใจจนเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองจุกก็เป็นอาการของมัจฉริยะคือความสนีทแล้วก็เป็นอาการของโลภะความโลภราคะความกำหนัดจนกลายเป็นอุปทานคือยึดมั่นถือมัน สิ่งอะไรก็ตามที่ใจไปยึดมั่นถือมันอ่นว่าเป็นของเราว่าเป็นเรากว่าเป็นตัวเป็นตนของเราโดยเฉพาะในที่นี้ก็คือไปยึดว่าเป็นของเรากับเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อใครยอมรับนับถือสิทธิของความเป็นของเรากับการที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เกิดความพอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีการเพลิดเพลินมันเทิงใจมีการเฉลิมฉลอง บังครั้งมะข่าวก็มีการแห่แขนเพื่อคนอื่นยอมรับว่าเราได้เราไม่เราเป็นในขณะเดียวกันก็คงจะวิตกกังวลกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับสิ่งดอลนั้นแต่เราเห็นว่าเป็นอาการของความทุกข์อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่นางวิสาขาที่ท่านต้องร้องไห้เศร้าโศกเสีเยใจเพราะการพลัดพากของหลาน หลานตายจะตั้งแต่ะสมมาไปร้องโขมร้องไห้มาคว้าพระพุทธเจ้าพระเจารับสั่งถามว่าเธอต้องการจะให้มีหลานสักเท่าไหร่นางก็ตอบว่าก็อยากจะให้คนทั้งกรุงสาวัตถีเนี่ยเป็นหลานของเธอพระเจารับสั่งถามว่าแล้วคนในกรุงสาวัตถีนี่ก็ตายกันวันละกี่คนบวกไม่แน่วันะนัเจ็ดคนแปดคนถึงยี่สาสิบคนไม่แน่ตายทุกวัน พระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้ทุกวันหน้าคนเธอก็ต้องนองไปด้วยน้ำตาตลอดอเวลาแล้วก็ทรงแสดงเห็นว่าความโศกนั้นเกิดจากความรักภัยก็เกิดจากความรักอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ก, ก็สืบเนื่องมาจากความรักตากจะดับความรู้สึกตรงนี้ลงไปได้ดความโศกก็ดีภัยก็ดีอันตรายก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้น เขาได้ลองสังเกตว่าเป็นการสืบสาวจากรูปรวัตถุคือหลานที่ตายแล้วส่งสอนกระจายออกไปเห็นว่าหลานเรายิ่งมากเท่าไหร่ปัญหาเราจะเพิ่มคิดมากเท่านั้นแต่คนทั้งกรุงสาวัตถีเกิดเป็นหลานเขนา낭วิสาขาขึ้นไปจริงๆคนเหล่านั้นตายทุกวันนักวิสาขาก็ต้องร้องไห้ทุกวัน เอาเฉพาะเรื่องเดียวเรื่องตายและในความเป็นยายเป็นหลานว่าเป็นย่าเป็นหลานนั้นมันมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกเป็นนันมากที่จะต้องห่วงใยจะต้องมีตกกังวลเพราะงั้นปัญหามันจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรก็ตามที่ใจไปไขอยคว้าไปยึดติดว่าเป็นของเราหรือเราเป็นหรือเป็นเราตลอดถึงเป็นตัวเป็นตนของเรา สิ่งนั้นจะไม่เกิดความทุกข์ไม่มีไดเพราะอาการห่งกิเลสเหล่านี้ไปสังเกตว่าที่จริงมันไม่เกิดแต่มันเกิดเพ้าใจไปกาหนดไปให้ความสำคัญเราเองในโลกจริงไม่มีอะไรที่เป็นสากล น, นอกจากสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเรานับ น, นั้นไม่มีความรู้สึกเป็นสากล เป็นรูปสวยเสียงไปเรากหรหนหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องมันก็ไม่เป็นสากลเป็นเรื่องของความปักใจฝังใจชอบใจของคนเหล่านั้นแตเราพูดกันว่าเป็นเรื่องของลังเนื้อชอบลงอังยา แ, แล้วแต่ใจเป็นจะปรุงคิดคิ ด, คดปรุงเอาในความปรุงคิดคิดปรุงนั่นเองถ้ามีปัญญาเข้ากำกับหรือส ง, งบหยุดคิดไม่ปรุงใช่ไหม ปัญหานในเรื่องนั้นมาก่อนลดลงไปเพราะใจไม่ไปเกี่ยวเกาะด้วยความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราคนนั้นเป็นคนของเราทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของเราอะไรก็ตามที่ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีปัญหาทุกทีในขณะเดียวกันตรงนั้นมันก็มีความโกรธที่แฝงอยู่เช่นสมมุติว่าใครมาล่วงเกินใครกระทบกระทั่ง ใครมาทำสิ่งที่เรารักให้เป็นอันตรายเรีจะเกิดโทสะขึ้นมาอาการตรงนี้จึงเป็นการเพิ่เริ่มทิโลภะแล้วก็กลายเป็นเพิ่มปริมาณของโมฆะรักมากหลงมากรักมากหวงมากรักมากหวงมากก็กลายเป็นปัญหาที่ตามมาแล้วในที่สุดก็พร้อมที่จะเป็นโทสะลักษณะของอารมณ์บางอย่าง ที่เราเริ่มจากความไม่รู้แล้ว เ, เกิดความเครื่องแปรงสงสัยแล้วจนหาคําตอบได้อะไรเป็นอะไ ร, ไรพราะดีเราเกิดไม่ชอบไม่ชอบก็เกิดปัญหาการต้องโทสะมุ่งให้เกิดความพิบัติเดือดร้อนเสียหายล้มตายพลัดพรากเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นบางทีคนนึกขึ้นภายในใจบางทีก็พูดออกมาบางทีก็ทำออกทำลงไปตัวเองก็ไม่มีความกระหายพอไม่มีกําลังมากพอก็วิ่งเต้นสแสวงหาพักพวกรวบรวมกัน เื่อทำลายคนสัตว์ที่เรารู้สึกไม่ชอบการไล่ล่าในรูปแบบต่างๆก็เกิดขึ้นแต่เราเห็นว่าเป็นการกระทำที่ดูแล้คล้ายๆเป็นอาการของโทสะอย่างเดียวแต่ยิงแล้วเป็นอาการของโมหะอยู่ด้วยแล้วการกระทำเช่นนั้นที่จริงเป็นอาการของความโลภคืออยากอยากให้ ตนเองไม่มีภยัยไม่มีอันตรายจากศัตรูหรืออยากให้คนที่เป็นศัตรูของตนพินาศไปเรงนี้ก็ปรากฏแก่ใจเป็นอาการที่ปกติธรรมดาการศึกษาการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาพระเจ้าก็ทรงสอนในรูปที่บางครั้งก็เป็นกฎเป็นเกณฑ์คือตั้งกันขึ้น แต่คนเราก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านั้นเองคือสมัครใจที่จะอยู่ในกรอบตรงนั้นเองพุทเจ้าก็ทรงให้การศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจแก่คนเหล่านั้นส่วนการจะปฏิบัติสัมมูลระวังไปเรื่องจิตสำนึกของเขาเองพุทเจ้าไม่สามารถจะไปควบคุมหรือโดนบันดาลในเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการจะเป็นได้ถ้าเขาไม่ทำาลการเป็นทั้งหลายในทางศาสนามันก็อยู่ที่การน้อมใจ รับธรรมะเหล่านั้นเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสวัสดีแก่ตนวิธีการสื่อสารนำมาสั่งสอนก็ทรงใช้วิธีการต่างๆเป็นนิทานเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลขึ้นมาให้ดูเป็นแบบเพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทําได้แล้วก็มีคนทํามาแล้วและรับผลมาแล้ว ใช้เวลามากบ้างน้อยบ้าง ก, ก็แล้วแต่พื้นฐานของบุคคลเรานั้นแต่ใครก็ไปในสถานที่หนึ่งไปเร็วไปช้ามันขึ้นอยู่กับยานพาหนะแล้วก็จุดที่คนนั้นยืนอยู่ในขณะนั้นๆแต่ก็มีคนไปถึงแหละส่วนเดรยวช้าเป็นรายละเอียดเฉพาะตัวบุคคลนั้นถึงหมายความว่าเราอาจจะไปเร็วก็ได้ไปช้าก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพของเราเช่นเดียวกันดังนั้นในการสอนซึ่ง ทรงวางไว้หลายหลายวิธีเมื่อจะโดยวิธีใดก็ตามมืนสังเกตว่าส่วนหนึ่งจะใช้ความสงบคือไม่นําเรื่องเหลนั้นมาคิดเพราะอะไรถ้าคิดแล้วมันเกิดโกรเกิดเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดราคขาเกิดโกระมันไม่เกิดต้องเกิดข้อใดข้อหนึ่งพอคิดขึ้นมานั้นอาการของกิเลสก็จะเกิด อาการกิเลสเกิดง่ายกว่าอาการเขาธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าตัวกระตุ้นข้างนอกมันกระตุ้นกิเลสมากกว่ากระตุ้นธรรมะและสื่อที่เรารับในแต่ละวันนั้นกระตุ้นกิเลสมากกว่ากระตุ้นธรรมะและโดยเฉพาะพื้นฐานในด้านจิตใจของมนุษย์ในยุคในในระดับชั้นกามาพจนหรือชั้นที่ต้องเที่ยวอยู่ในกาม โดยเฉลี่ยแล้วพื้นจิตมันก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องการมัคุดดีมากเพราะอาการก้นจิตจึงมีลักษณะใกล้ๆไวไฟคือรับอารมณ์ที่น่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจได้เร็วเรืออารมณ์ที่เราไม่ชอบนี่ได้เร็วอาการก้นจิตจึงเป็นเรื่องความรักความชังที่ปรากฏมากไปในใจการบัดเแนวหนึ่งก็คือการหลบการหลีกการไม่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ตอนนั้น อย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงตามรับสั่งตามคำถามของพระอนุลซึ่งวันนี้เป็นเพราะพระอนุลท่านถามเจาะจงเรื่องการปฏิบัติตนระหว่างพระกับผู้หญิงแต่ถ้าตอบกับภิกษุณีก็อตอบอีกแบบหนึ่งแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันคือถ้าไม่ดูไม่เห็นจะเลยได้ก็ดี หมายความว่า ต, ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหยุดใช้สับ้างโดยเฉพยาะยิ่งตาหูใจตานั้นมองไปไกลปัจจุบันเนี่ยมองทางโทรทัศน์ได้ด้วยหูก็ฟังได้ไกลปัจจุบันมองฟังทางวิทยุได้ด้วยส่วนจมูกลิ้นกายพอทําเนาคือมันต้องมาชนมาต้องสัมผัสจริงๆคือต้องชนจมูกมาชนลิ้นมาชนกายกลิ่นต้องมาชนจมูกจึงได้กลิ่น รต้องมาชนที่ลิ้นคือต้องต้องกระทบที่ลิ้นเลยแต่ตานันกระทบไกลหูกระทบไกลใจนั้นคิดยิงไปไกลกันใหญ่เพราะในการทารวมระวังก็สงสอนฉันได้ก็สงสอนในแนวหลีกดีหลีกนี้ยังไงแนวไม่คบผ่านไม่ ค, บ, มคบบัณฑิตนั่นหมายความมาตัวคนอยากคบผ่านนะไม่คบผ่านเราจะทำาไงก็คบบัณฑิตเพราะคนในโลกมันก็มีอยู่สองประเภท อีคนดีคนชั่วก็อยาคบคนชั่วแล้วการในคบบัณฑิตแต่ว่าคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานที่เกี่ยวข้องกับเวลามันซ้อนซ้อนกันอยู่ก็เรียกว่าเวลากาลเทศะบุคคลสภาพแวดล้อมมันเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะการจะหลิกนี้บางทีมันต้องหลีกหนีจากสถานที่ก็สงสอนในรูปสถานที่ที่เรียกว่า โดย ก, กว้างสทรงชกักคำว่าปฏิรูปประเทศคือสถานที่ที่เอื้ออำนวยให้จิตใจโน้มน้อมก็หาความสงบก็ทำนองที่พระเจ้าเสด็จหนีออกจากปราสาทราชวังตอนนั้นเป็นทุกรกรริยาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่คือว่าคนจะได้เห็นได้ยินได้ก็ได้เพราะว่ามองไปที่การทรมานตัวร่างกาย ไม่ใช่มองไปที่การแก้ปัญหาที่จิตซึ่งว่าเป็นความคิดผิดแต่ว่าต้องการแก้ปัญหาที่จิตจริงๆพระองค์ก็ต้องหลีกเล่นต้องข้าไปหาสถานที่ที่สงบเงียบจากเสียงรบกวนจากคนรบกวนจากการปลุกพรานของคนทั้งหลายเพราะทําไม่อย่างนั้นมันก็ทําใจสงบไม่ได้แนวหนีตรงนี้ที่จริงบางทีมก็หนีได้ทีมก็หนีไม่ได้ แต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปัญหาว่าทำยังไงก็ทรงสอนมาในแนวของการสำรวจระวังสำรวจระวังระดับแรกก็คือเอาทิศีลก่อนมีกฎมีเกณฑ์ในการปฏิบัติที่นั้นควรไปที่นี้ไม่ควรไปปฏิบัติยังไงจึงจะเรียกว่าถูกต้องปฏิบัติยังไงเรียกว่าผิดก็วางเกิดเปิดกฎเป็นเกณฑ์เพื่ออย่างนาอให้หยุดตัวเองไว้ตรงนั้น ไม่ล้ำแดนเข้าไปศีลจึงมีอยู่ในระดับทีบ่เป็นบทบัญญัติแล้วก็มีการลงโทษมาธรรมาถ้ามีการล่วงละเมิดก็ถือว่าผิดแต่ไม่ใช่มีคนอื่นมาลงโทษท่านเหล่านั้นก็ต้องลงโทษตัวท่านเองศีลอีกระดับหนึ่งเรียกว่าเป็นกริยาบัญญตัต เนระเบียบที่ควรแกการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะตัดกระแ ส, สของความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ท่วมท้นใจมากเกินไปทต่นี้ยอีกหนึ่ว่ามารยาทมารยาทที่จริงก็คือเขื่อนเรื่อยๆขันดินคล้ายๆกับเขื่อนและายๆกำแพงที่มันกัน้นหมายความว่าเราอยู่อีกด้านหนึ่งและศัตรูอยู่อีกด้านหนึ่งมันก็เข้ามาไม่ได้เพราะกำแพงมันกั้นไว นั่นเรียกว่าแนวสํานวมระวังอินทรีย์การพูดแนวสำนวนระวังอินทรีย์เป็นการพูดในกรณีที่ป้องกันกิเลสเพราะอะไรเพราะจริงๆเราเรียนธรรมะจากอินทรีย์เหมือนกันเรียนจากตาจากหู จ, จากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจเราเหมือนกันก็เรียนมาทางเดียวกันหมายความมาทั้งมิตรทั้งศัตรูด้านเข้ามาที่ประตูด้วยกัน เหมือนคนมาที่บ้านเรามิตรมันก็มาทางประตูศัตรูก็มาทางประตูตัวเราเองก็เข้ามาทางประตูปัญหาสําคัญในกรณีนี้ก็คือว่าทํายังไงควรจะปิดทําไงควรจะเปิดไม่ใช่ว่าเปิดประตูตลอดหรือปิดประตูตลอดพราะถ้าปิดตลอดญาติพี่น้องเราก็ข้าไม่ได้แต่เปิดตลอดศัตรูก็เข้ามาได้อันตรายต่างๆก็เข้ามาได้บังก็อยู่ที่การปิดการเปิดของเราเอง ในที่นี้ทรงใช้คำว่าอินสีสังวรโดยสารวมระวังอินทรีย์แต่ต้องเข้าใจะ ก, การตํารวมระวังอินทรีย์นั้นพูดเฉพาะเรื่องที่จะเพิ่มกิเลสไม่จะสํารวมระวังหมดจะฟังทำก็ไม่ได้ต้องสํารวมหูอย่างนี้ก็ยุ่งคือเอาเฉพาะเอาเฉพาะที่จะมันเพิ่มกิเลสหมายความว่าเราหนีอารมณ์หลดดนั้นไม่ได้ต้องปะทาการมณ์แน่นอนก็ทำอย่างไง อย่าให้อาการของกิเลสเพิ่มขึ้นภายในจิตมันก็ตัดเชื้อที่จะรับจากข้างนอกเสียการสมุนวางก็ทรงวางไว้หลายระดับก็เรียกว่าทั้งชุดเลยซึ่งในภาคของการปฏิบัติในแต่และชุดนั้นท่านสาชนตั้งๆจะสังเกตได้ว่ามันจะสร้างเหตุปัจจัยแล้วจะนำบุคคลเข้าสู่จุดสูงสุดในภาคการปฏิบัติ อย่างเงกณีของศีลพูดมาตั้งแต่ศีลห้าเลยพระบุคคลจะบังเกิดในสุคติหรือมีความสุขได้กับพระศีลจะสมบูรณ์ในวยพวกกสมบัติกับพระศีลจะบรรลุมรรคผลนี่ผ่านได้กับพระศีลเพราะอะไรเพราะว่าศีลที่สมบูรณ์จริงๆ จ, จ, จะต้องเข้าถึงใจทั้งหมดมีศีลอยู่ที่ใจใจนั้นเป็นศีลที่ท่านพูดถึงคนที่ฝึกวิชากระบี่มาอย่างดี ไม่ต้องมีกระ บ, บี่อยู่ในมือไปไหนไม่ต้องพกพากระ บ, บี่ํำนวนท่านเรียกว่าจากสูงสุดคืนสู่สามัญน้ายความดูแลเป็นคนธรรมดาไม่เคยมีความรามารถใด ร, รเพราะจริงแล้วสามารถจะใช้จิตใจของตัวเองนี้แก้ปัญหาต่างๆได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้อาวุธอะไรผู้เจ้าของเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้น จากสูงสุดคืนสู่สามัญดูเป็นปกติธรรมดามีคนไปนมากเพราะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าดูก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าธรรมะนั้นผนึกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกระจายใจเป็นใจที่มีธรรมะสิ่งอะไรมากระทบมันก็ไม่สามารถท้าความเปลี่ยนแปลงได้คล้ายๆกับเจรไนออกมาจนเป็นเพชรเรียบร้อยไปแล้วแยกมานจะขีดหมดละ ไปองปลกับหินยังไงหินมันก็ซึมเข้าไปไม่ได้เพชรก็คงเป็นเพชรอยู่นั่นเองนัะนเป็นการฝึกปลือขึ้นไปจากสายของอะไรก็ตามสายของศีลก็ไปถึงนิพพานได้เพราะจริงๆแล้วเขาจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมันเป็นสมาธิปัญญาไปเองโดยอัตโนมั ต, ติโดยไม่ต้องไปรู้ด้วยธวรมาสิ่งนั้นคือสมาธิและปัญญา เราะคาสมาธิปัญญาเป็นภาษาที่เรียกขึ้นในตอนหลังภาษาอื่นนะี่จะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าตัวเนื้อหาแล้วจะเป็นอย่างเดียวกันคล้ายๆกับไฟเนี่ยเราจะเรียกยังไงก็ได้แล้วมีความร้อนมีแสงสว่างมีการเผาไหม้ก็ถือว่าเป็นไฟไทก็เรียกว่าไฟภาษาอะไรต่ออะไรภาษาบาลีก็เรียกต่้งเยอะแไปหมดล มันต่างกันโดยภาษาแต่ว่าเนื้อหาอย่างเดียวกันผลสภาพจิตที่มีการศึกษาปฏิบัติอาจจะมาเริ่มจากการสํารวจจนเราจะเห็นว่าพอสํารวจไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่จะทําใจสงบแต่มันใช้อีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่ารู้รู้เห็นตามความเป็นจริงมาตัดกระแสดได้ ใกล้ๆกับเรามองคนหรือใล้ๆคนที่เฝ้าประตูรู้ทันว่าคนนี้คนให้เข้าหรือแม่เข้าคนนี้เป็นศัตรูแม่เข้าปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดเพราะมันตัดตั้งแต่ไม่ได้เข้ามาแล้วนั่นเป็นแนวของการใช้สติระลึกรู้ต่ออารมณ์ที่มากระทบแล้วก็ตัดสินกันในขณะนั้น หรือแม้แต่ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นภายในจะิตร่วความโกรธมันเกิดขึ้นนะักปล่อยปล่ยลุกลามเผาไหม้นั้นมันไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนแต่เราเดือดร้อนเราอา จ, จะไปด่าว่าคนอื่นอาจจะถึงประทุษร้ายคนอื่นเธอยันดูแล้ใกล้ายๆกับเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ชนะแต่คนที่ถูกเราดา่ามันค่อยเจ็บใจชั่วครั้งชั่วคราว หรือแม้ถูกประทุษร้ายถ้าเขาไม่โกรธตอบก็าอาจจะเจ็บนิดหน่อยแล้วก็หายก็จบกันตรงนั้นแต่บาปกรรมที่เกิดขึ้นจากคาําด่าบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการประทุษร้ายร่างกายเขาซึ่งเปิดปิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วก็ปิดศีลข้อที่สี่เนี่ยมันทําให้จิตเรตกต่ํามีปริมาณกิเลสเพิ่มขึ้นนุนแรงขึ้น เดียดตายไปแล้วยังต้องสวยผลบาปตรง น, นั้นด้วยเพราะในแง่ของพระเจ้าจึงสูงออกตรงแสดงว่าแพ้มันไม่ใช่ชนะแพ้ใครแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสอยู่ภายในใจตัวเองแต่ชาวโลกก็ถือเป็นผู้ชนะการชนะจริงๆก็คือชนะใจไม่ใช่อยู่ที่การชนะคนอื่น แต่ตามปกติแล้วคนเหล่านั้นอยากจะชนะคนอื่นแล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นวีรชนเป็นผู้สามารถเป็นผู้พิชิตที่จริงคนเหล่านั้นแพ้เท่านั้นแพ้กิเลสภายในใจกิเลสสั่งให้ฆ่าเป็นฆ่ากิเลสสั่งให้ด่าเป็นด่ากิเลสสั่งให้รักเป็นรักกิเลสสั่งให้ร่วงละเมิดทางประเวณีเป็นร่วงก็แล้วแต่เขาจะสั่งแพ้อย่างราบ่าแพ้อย่างเป็นทาดได้ทั้ง แล้วก็ถูกผลักไสเสือกสายให้ประสบความทุกข์ในสังสารวัฏด้านการมองมุมมองตรงนี้จึงจึงเห็นได้ว่าเป็นการมองที่ต่างกันชาวโลกจึงมุ่งไปที่การเอาชนะค้าขานกันแต่ว่าธรรมะในทางาศาสนานั้นมุ่งจะเอาชนะใจตัวเอง จะเรามีการพูดกันว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมันคาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมันนั้นหมายความการเอาชนะคนอื่นนั้นก็เป็นมันแต่การยอมแพ้คํากล่าวร้ายการกล่าวว่าเสียสีของบุคคลอื่นไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบไม่ประท้วสลายตอบไม่โกรธตอบถือว่าเป็นความคิดของพระเพราะจริงแล้วการแพ้อย่างนั้นก็คือการชนะ พระเจ้เราได้ชื่อว่าเป็นวิชิตมาโรเป็นพระผู้พิชิตมารหรือว่าพระชนะมารก็คือชนะพระไทยของพระองค์เองทรงยกย่องสรรเสริญท่านจุเลกษสกัตตที่ต่อสู้กับความสนิความเสียดายพระหม่มผืนเดียวที่ใช้กันสองคนสามีปัญญาแล้วก็เปลี่ยนกันหกมาฝั่งเทศที่วัดประเชตวัน ถึงจุดหนึ่งในปัจฉิมยามท่านเอาชนะได้แต่ก็คิดว่าเราต้องประสบความหนาวความร้อนในสังสารวัตรเป็นนั้นมากแล้วผลชาตินี้จะประสบอีกสักชาติจะเป็นอะไรไปตัดใจเอาผ้าที่จริงๆผ้าขมคู่ใช้ผ้าเก่าแล้วด้วยเอาถ้วยพระพุทธเจ้าแล้วกล่าววาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว พระเจ้าประเสนนิโกศน์เอาชนะพระเจ้าชาติศตรูสเสด็จมฟาฟาดพระพุทธเจ้ากำลังนั่งฟังเทศอยู่ไม่พอพระไทยว่าแทนที่จะยกย่องพระองค์ไปยกย่องตัวเองว่าเขาชนะเรียกไปสอบถามพระเจ้าก็ทรงแสดงเพิ่มเติมเห็นว่าการชนะของพระเจ้าปรเสนนิโกศล น, นั้นก่อเวรก่อภยัยก่ออันตรายยุ่ยะก็ปัดกันแพ้ปรักกันชนะ การชนะของจุเลกสาดกเป็นการชนะจริงๆจุเลกสาดกชื่อว่าเป็นผู้พิชิตจริงๆพระเจ้าประเสนโกศล ก, ก็เกิดศรัทธาเริ่มรังเกิดนมุทัทนาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติเป็นจํานวนมากให้แก่จุเลกสาดกก็กลายเป็นคนร่ํารวยขึ้นในปัจจุบันทันดน่วนในประการแสดงให้เห็นว่าธรรมปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะแนวของการสงบ แนองการหลีกหนีแนวการสรัมมลว ง, งหรือแนวการรู้ก็ตับโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็คือเอาชนะกิเลสแต่อย่าน้อยกิเลสไม่เพิ่มอาจจะไม่ถึงก็ลดแต่ว่าไม่เพิ่มไม่เพิ่มมันก็ดีระดับหนึ่งแต่สามารถลดละจางไปคลายไปบรรเทาไปได้ผลจากกา ร, รฏปฏิบัติตรงนั้นผู้ปฏิบัติก็จะสัมผัสได้โดยใจตัวเอง ต่ตอนนี้ไปพอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่ อ, ตอไป